มันก็แล้วก็มันร้อนมากๆใช่ไหมเอมันร้อนมากๆมากๆมากๆเนี่ยมันจะไปเผากระดูกให้ปุกมันจะไปเผากระดูกให้ปุกนะครับพอร้อนนี่มันมากมันจะผเผากระดูกให้ปุกคล้ายๆกับเราโยนกระดูกไก่เข้าไปในกองไฟเนะะี่ยคุกไหมแป๊บนะเดียวเท่านั้นแหละปุกเลยโยนกระดูกคนเข้าไปในกองไฟปุกไหมปุกไม่หรือมันจะปูกแบบนี้แต่คนกจปุกนะมันจะปุกแบบนี้นะครับคนใจการปุกมันจะปุกแบบนี้แหละ พ่อเขาเลี้ยกุ้งม่รู้ไก่นะไก่ที่เขาเลี้ยงอยู่ในฟาร์มเนี่ยเขาจะให้อาหารร้อนเปิดไฟใส่ทั้งวันร้อนไฟมันร้อนคุเรามไอยู่กับไฟมันนานตลอดไฟไฟมันก็ร้อนของทั้งวันทั้งคืนถังใบแคบๆไปไหนมาไหนกนไปได้ไม่ได้ระบายไม่ได้ถอนคายเลยเสียดนะไฟแต่อหารร้อนเข้าไปมีแตอหารอบอาหารแห้งมีอาหารสดทีนี้รอันอบแห้งๆฉีดยาปฏิชีวนะเข้าไปฉีดเคมีเข้าไปมันมีแต่ร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนๆน่นแหละ พอร้อนมากๆเนี่ยนะมันจะไปเผากระดูกไก่ให้ผุคุณสังเกตดีระหว่างไก่พื้นบ้านท่ันวิ่งเล่นเย็นสบายเียนะวิ่งเล่นเย็นสบายกับไก่ทถูกขังไว้แล้วก็โดนอัดไปของร้อนอย่างนี้เนี่ยไขกระดูกผุมากเหมืกั น, ไ, นไก่ที่อยู่ในฟานร์มมันก็โดูโค้ไก่พื้นบ้านเป็นไงกระดูกแข็งโปงเลยใช่ไหมโอ้แข็งโป้งเลยไก่ไก่พันแล้วโอ้ยแคบีไปเฉยเหมือนับ เออเละแล้วมันกระโดดกัน like น so so so so ั่นแหละมันถูกความร้อนเผามันปูเย่างนันแหละก็ดูคนที่ปูเรนี่ก็เหมือนกันะใส่เป็นของร้อนใส่เป็นเผากระโดมมันจะปูแบบเดียวกันกับไก่ที่ถูกขังในฟาร์มมันละบ้านเดียวกันนี่ครับบ้านเดียวกันคราวนี้พอมันคงจากน้อนอย่างเงี้ยสมัยก่อนพูดเป็นครนี้นะอันนี้ก็คือสมัยปัจจุบันนะสมัยก่อนอาจารย์ปูเนี่ยเกิดจากเภาว่าเย็นเกินกระดูกปูเกิจากภาว่าเย็นเกินเมื่อเกิดจากเภาว่าเย็นเกินปูกเนี่ยเรื่อเรามันไหลเวียนไม่สะดวกเสเลือดหด ไหล่เดิน um, ไปเล็กระดูกไม่ได้เพราะไหล่เป็นไปเล็กราดูไม่ได้ปุ๊บนะกระดูกก็ผุเพราะไม่มีธาตุนารไปเลี้ยงหมอเขก็เลยให้แคนเซียมแคนเซียมเป็นยาร้อนยาร้อนทําให้เลือดขยายแล้วแคนเซียมก็เข้าไปะดูกไ้กระดูกก็แข็งแรงหรือเป็นหมอโบราณก็ให้กินงาใช่ไหรืมคนโบราณก็ให้กินงาเพราะงามันร้อนก็ให้กินงาเข้าไปมันก็ร้อนเลือดลงไหล่เดินดีแคนเซียมเข้ากรได้เหมือนกันนะครับหรือเขาจะให้กินปลาเล็กปลาน้อยมันก็ร้อนนะครับเพราะว่าปลาเล็กปลาน้อยงา แล้วก็วิตามินเนี่ยแคลเซียมแคปซูลอะไรต่างๆเนี่ยแคลเซียมเม็ดแคลเซียมแคปซูลต่างๆนะมันร้อนครับตรงนี้เขาก็จะให้พวกร้อนตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่จะให้มันแคลเซียมเข้ากระดูกได้หรือว่าให้มันร้อนให้มันลหลเวียนดีนะถ้าอาหารไปเล้กระดูกได้มันก็จะหายจากกระดูกฟุกนะครับแต่ครานี้ยุคนี้นะนะมันเสี่ยนแล้วโลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นทอมต้นเหตุของกระดูกฟุกกลายเป็นต้นเหตุใหม่ฟังมาดีนะครกลายเป็นต้นเหตุใหม่ แต่หมอไม่ได้ปรับหัวทุกแขนไม่ปรับตามแผนไทยก็ไม่ปรับแผนปัจจุบันก็ไม่ปรับแผนดังเรื่องก็ไม่ปรับยังให้ยาร้อเหมือนกันเกินอะไรขึ้นครับกระดูกจะผูกไปทวีคูณดังนั้นคนกินแกนเซียมยุกนี้ยิ่งกระดูกขูดคุณเป็นซื้อแคนเซียมมากกินคุณกินงามากๆคุณกินปลาเล็กปลาน ka main, ้อยมากๆกระดูกยิ่งผูกรับประกันเลยครับนีตัวอย่างสองสามรายที่จะอธิบายให้เห็นชัดนะว่ามันกินหรือไม่กินสิ่งที่ผมพูดนี้นะครับ มีคนไข้คนหนึ่งมีคนไข้คนหนึ่งขาหากักขาหากักอยู่บนเนี่ยเขาแค่อยู่บนนะครับขาหากัาหากสามเดือนแล้วกระดูกไม่ต่อกันรันกษากระบองแนปัจจุบันสามเดือนกระดูกไม่ต่อกันนะครับหมอให้แคเซียมให้กินงาให้กินสิ่งที่มันนี่แหละมีแคนซีมมเยอะอะไรพวกนี้นนะสามสูตรเท่านี้แหละสามเดือนกระดูกไม่ต่อแ ล, ล้้วนไขออกันนะคร่อคนไข้เจอผมผมให้หยุดแคเซียมหยุดง า, ห ย, ดงาหยุดของร้อนทั้งหมดแล้วกินอาหารนิกง แล้วก็ถอนพิจารอ์นออกนะครับร บ, บางคนว่าอีกสองนที่ต่อมาจะดูคนไขๆต่อกันแล้วก็เดินได้มันก็แปลว่าจริงๆเราเข้าใจเรื่องความสมดุลไงจริงๆผมใช้แขนเส้มเย็นแต่ผมจะวาให้ฝันนะว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นผมใช้แขนเส้นเย็นจริงๆยังต้องใช้แคนเส้มอยู่ ต, ต้องใช้แขนเส้นเย็นเดี๋ยวๆค่อ ย, อยว่ากันนะว่าแขนเส้นเย็นเป็นอย่างไรนะอาจารย์หมอที่สอนนักศึกษาแค่ หมอกระดูกที่ตอน่ั้นแพย์ในเมืองไทยที่หละตอนนี้เปิ่ยังอยู่เนี่นะครับในเมืองไทยในมหลาลัยชื่อดังของประเทศไทยเป็นหมอกระดูกเสร็จแล้วเนี่ยกระดูกปุกทุกวันนี้ก็กระดูกปุกเสร็จแล้วกระดูกปุกลูออกมาก็กระดูกปุกแล้วก็เพื่อนมาถามผมว่าแพทย์ทางเลือกทําไงจะยังไงอาจะหมอท่านนี้หาแต่งตัวเหรอกำลังจะ <c oughs> น่าคิดนะ เพราะท่านเป็นคนจกันเชี่ยมเป็นคนใข้เองท่านจะไม่กินเองอ่ะก็เลยเมืท่านเชื่อว่าแคนเชียมมันดีถ้าจะขาดแคนเชี่ยมหรือยังไงอมาไม่ให้เราคิดเฉยนะเราคิดกันไปเราได้ขายแคนเชี่ยมเหรอทําไมก็เลยเมื่อหมองกระดูกเองทาไมกระดูกปุบแสดงว่าแคนเชี่ยมไม่ได้แก้ปัญหากระดูกปุบแคนเชียมที่เขาใช้กันอยู่นี่ไม่ช่วยแก้ปัญหากระดูกปุบเพราถ้าช่วยแก้ปัญหากระดูกปุได้คนจะไม่กระดูกปุทั่วบ้านทั่วเมืองหรอ แล้วหมอคนนี้กระดุ้งไม่โปรเดชาดเพราะท่านไม่ขัดแยงเซียมแนงแล้วคนทั่วบ้านทั่วเมืองท่านยู่หลงทั้งเมืองไทยจะไม่มีปัญหาการะดุกงุกมากขนาดนี้ถ้าแคนเซียมแก้ปัญหาได้คนจะไม่กระดูกงฟุกมากเท่านี้นะครับหรือแม้แต่พิธีมินอาหารเสริมถ้ามันได้ผลนะคนรวยจะไม่ป่วยอะไรครับเพราะคนรวยมีเงินซื้อมากินแต่ตอนนี้เป็นไงคนรวยป่วยมากกว่าคนจนดีเพราะมีเงินซื้อ ไอ้อาภต้องมีอาหารเสริมพวกนี้มากินได้มากของเขารักษายอยากของเขาแต่พอเอาพิษเข้าไปมากของเนั่นแหละมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่คาตอบแล้วตอนนี้อเมริกาคือดูผูกเยอะมากเลยนับล้านล้านคนต่อปีสามล้านคนไม่ต่บกว่สามล้านคนต่อปีอเมริกาเป็นเมืองที่โอ้โหแข่งเทียมเทียบภิเดชินเทียบหาเงินหาทองได้เยอะซื้อพวกนี้กินแหลกทํำไมมันผูมแหลกทั้งปีละสามล้านหนึ่งทำไม ถ้ามานแก้นน้นาได้จริงนมันจะไปผูกยังไงตั้งปีละสามล้านเมืองไทยมัไม่เบาผูกเอะเลยเาฟังไมดีนะที่นี่นะกาอธิบายชัดมาเป็นตัวผมมั่งมันจะเล่าให้ฟังของจริงเลยนะผมก็กระดูกุกจากการกินงานตอนกินเจใหม่ๆกลัวขาดก็บอกนะ่ยจะขาดแคลเซียมเดี๋ยวจะเป็นตคิวเดี๋ยวจะกระดูกฟกเพรว่านั้นนะเอ้ย เ, อเราเริเร ก, ก, ก, กรินได้หรอกระดกระดูกฟกซัดงาเต็มที่แล้วก็บอกว่าละสองชนแกง แส่เวลาของเราก้ใสบางวันเยอะกว่านั้นอีกทา้ิเพียงกลัวขายใส่ก็ไปต่างเปลยตางกองแต่ก็กลัวกระดูฟุ้งการดูไปฟุ้งอะไรก็รู้ไหมครับฝันไม่เคยผุกเลยท่านใช้การท่าชีวิตอะแล้วฟันผุ๊บก็เริ่มยินงามมากขึ้นฟันนี่คือการดูที่แข็งแรงที่สุดไม่เชื่อคุณไปถามหมอฟันได้ มันคือกระดูกที่แข็งแรงที่สุดมากกว่ากระดูกทุกอย่างในร่างกายทุกคนไม่มีอะไรแข็งแรงไปกว่าฟันกระดูกที่แข็งแรงที่สุดปูกได้ด้วยงานดูคิดดูซิและไอ้ข้างในมันจะเป็นเหลืออะไร น, นี่ใครกระดูกที่แข็งแรงที่สุดนะงานมยังทําให้ปูกได้นี่แค่ เ, เล่น น้าดำอีกต่างหานเขาบอกน้าดําดีตอนกลางนน้าดำนขางานาวอยากกินนะกลัวมันเล่วิตาินไม่เยอะตัวเองจะไม่เยกินงานดามันเยอมมากกว่านมสิบสองเท่ากมคิดงานดำเข้าไปสิก็ดูกลัวเสร็จแล้วเออนะพอเราหยุดกินงานะมันถึงหายถูกมันถึงหยุดเออเราก็ว่ามันพออะไรมันชัดเนี่ยมันชัดมากเลยเนี่ยพอหยุดกินมันดึง หายนะแล้วก็เป็นตะคิวกินงาเยอะเข้าแข็งเทียมเยอะ เ, ะเอออนนนะข้าะะนะ ต, ะตะคิวกินเลยนี่นะโอ้ยนั่งหมดคนไข้อยู่ดีๆนั้นลุกขึ้นมาตั๊บเลยตะคิวอุ้ยก็โดนทีกินตะคิวกินหากินตัวบ่อยมากเลยนะแต่ก่อนตะคิวไม่ก่อนกินถ้าหนันนานๆทีโอ้โหถ้าไหนกินงาบ่อยเข้าบ่อยเข้าตะคิวกินบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เลยอยู่กินคงาพออยู่กินงาตะคิวก็ซาไปหายไปมันก็เลยทัดหากินเป็นตะคิวอาจจะไม่ใช่ แต่กาลังต้องบอกว่าขาดแคลเซียมใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ขาดแคลเซียมก็ได้ขาดแมกนีเซียมก็ได้แมกนีเซียมมันอยู่ในผันที่เยนอย่างนี้ยแต่ขาดขาดแมกนีเซียมก็เป็นตะคียนได้มันต้องดูว่าเป็นตะคียนร้อนหรือตะเคียเย็นถ้าเป็นตะคียนตะคียนเนี่ยถ้าตะเค็นเย็นก็ใช้ร้อนแก้ตะเคียนร้อนก็ใช้เย็นแก่ตะเคียนที่ว่ามันเป็นตะคร้อนตะคีร้อนก็ใช้เย็นแก่ถ้าเป็นตะเคียนเย็นก็ใช้ร้อนแก่ถ้าเป็นตะคเย็นใช้งานแก่ แ้าเต่เกียบร้อนไม่ใช่แคลเซียมเย็นแก่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแคลเซียมที่จะบำรุงกระดูกแฉะยุคนี้แคลเซียมที่จะบำรุงกระดูกแฉะยุคนี้คือแคลเซียมเย็นไม่ใช่แคลเซียมร้อนยุคก่อนถูกต้องแล้วต้องเป็นแคลเซียมร้อนเพราะว่ายุคก่อนมันเกิดกียบป้องกระดูกต้องใช้แคลเซียมร้อนต้องใช้งาต้องใช้ปลาเล็กปลาเล็กต้องใช้ยาแคลเซียมที่เขาผลิตมาแต่แคลเซียมยุคนี้ที่มันจะเข้ากระดูกก็จะใช้เป็นแคลเซียมเย็นแคลเซียมเย็นมีอยู่ในหักนิดเด็ยเพียว ยานานไปเปิดดูสิแคลเซมเต็มเลย น, นผักบุ้ไใเตยหอมแสบอะไรคุณไปเปิดดเถอะผักริบบินน่ะมีคเส้ยเยอะแยะเลยผักใบเขียวที่นี่ริบเย็นนั่นแหละเป็นคเสียมเย็นที่จะเข้ากระดูกได้อย่างแท้จริงแล้วคุณก็พิสูจน์เป็นนัเดวนสายได้ฟันคุณจะดีขึ้นแบบคุณจะไม่ค่อยหักเศษนะเพราะคุณจะรู้สึกโอ้สดช่นแข็งแรงของสร้างกระดูกคุณจะดีคุณไปโดนมนกระดูกก็ได้ต้องมีคนไข้ของคนหนึ่งชั้นมากคคนรวยนี่กมีทอง กินแคลเซียมประจําเลยนะกินแคลเซียมทีซื้อมาประจำยิ่งผูกยิ่งผูกยิ่งผูกพอมาใช้สูตรของผมกินแคลเซียมพรานั้นกินหมอก็จ่ายนะนะแล้วมากินแคลเซียมเย็นพอตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยในกี่วันเนี่ยเจอกันอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเล่าให้ฟังเลยไปตรวจมอญกระดูกโอ้โหหมอชมใหญ่เลยมอญกระดูกขึ้นขึ้นได้ไงเอ่มนขึ้นได้ไงมอญกระดูกขึ้นแต่คนที่กินแคลเซียมมาเยอะแยะเลยซื้ อ, อกิ น, นมาฆ่ายผมเก็บข้อมูลเยอะ หมอหมอหมพูดไม่กิดเลยล итель, เร้อนร้อนไม่กินแคลเซียมข้อนร้อนร้อนละม้วนไม่กระดูกไม่ขึ้นเลยเพาะว่นมีกระดูไปข้างหน้าซส่วนใหญ่มวนกระดูกมันจะไม่ค่อยขึ้นเหล่ามันจะปูกไปข้างหน้าด้วยคุณกินมากเท่าไหร่มันจะปูกมากเท่านั้นก็มันร้อนจะเผาให้ปูกหรือต่อให้มันมันเป็นพ่อมันจะเป็นพ่อผิดรูปเพราะมันไม่ต้องการเพราะมันไม่ต้องการแคลเซียมตอนนั้นมันก็การแคลเซียมเย็นเพื่อให้เกิดความสมุลนะครับเพราะต้องการแคลเซียมเย็นเพราะนั้นผมไม่โอหังานผมเดินไปหมุนอั้งหนึ่ง จะที่กินท่านหนึ่งต้องกินช้อนชายเยีไปกินเยอะต่ก่อนแม้ทุกวันนี่ต้องขอบคุณนะจริงๆนีต้องขอบขอคุณสัจจะจริง น, นะถ้า ง, งาเป็นอาหารที่คนต้องกินปริมาณมากถึงจะพอนะตายหรืแย่กันทั้งโลกนะก็ อ, อะไรครับงาเดี๋ยวผมเคยปลูกงาแนละ้วก่อยจะได้กิโลหนึ่งนะโอ้แล้วปลูกต้นเล็มันเล็กนิดเดียวอะ่ะใ้ปืนกี่ปลูกไม่น้อยหรอ